พนที่สุดแล้วพระาสนาของพระศาสดานั้นจะเดินไปด้วยอดิตยังที่เป็นมาตักวกันนี้ทันสมัยทุกเวลาในขั้งพุทธกาลก็ดีอดีตที่มันผ่านมาก็ดีอนาคตที่ยังไม่มถึงก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีเนอะมันจะต้องเป็นตัวอดีตยังเป็นผู้ควบคุมอยู่เนี่ยอันนี้ต้องเป็นภาวนาสามารถที่จะ เห็นในคมภีอะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นก็ว่าคําพูดคําพูดของนักปราชญ์ที่ถูกต้องไม่ขาดจากอเนจังอันนี้ก็จริงอเนจังถ้าไม่มีอเนจังแนละ้วไม่ใช่คําพูดของนักปราชญ์หรือไม่ใช่คําพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําพูดของพระอริยเจ้านั่นเองคือเป็นคําพูดที่เรียก ว, ว่า ยังมีไอ้ความจริงที่ยอมรับสิ่งทั้งปวงก็ต้องมีทางระบายคิดพิจารณาไปหลายๆยอย่างแล้วก็มีเรื่องไม่ใช่เรื่องจิตมีเรื่องระบายจิตใจเรานี่คือเหมือนกันอารมณ์ที่ไม่ระบายอารมณ์นีจิตไม่ระบายอารมณ์นี้ก็ดีกว่าเมาจิตมึนเมาปฏิบัติอะไรกระทุกอย่าง ในความว่าอย่าเมาปฏิบัติแสนว่ามันจะดีก็ยอย่าเมาดูดีถ้าเมาเราเป็นผิ ด, เ, ดเป็นไม่ถูกละเราจะทำอะไรอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้มันไปนตามอำนาจที่ความรู้สึกของเราได้ชอบใจแล้วก็อย่าเมาถ้าไ่ไหนเมาถ้าเมาเราไม่ถูกต้องตามสัจธรรมอย่าเมานี่ฉะนั้น เราซึ่งปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ก็สอนว่ายายเมาอย่าเมาถ้าเมาได้ผิดถ้าเมาได้ไม่ถูกถึงเป็นเรื่องดียอยู่ก็จะเมาดีถ้าเมาดีมันก็โดยเกิดที่ว่ามันไม่ดียาให้มันเมาให้รู้มันก็เหมือนกับที่สร้างเขื่อนที่มีทางระบายนะ้ําไม่ปิด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 ให้จิตเค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเรื่องบังคับจิตมันเปนจะเป็นบ้าให้ค่อยๆจิตมันรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมามกล่าวถึงปฏิประทาของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีส่วนเทียบได้ายีอย่างซึ่งมันมาลงกันการก่อสร้างข้างนอกนี่ก็เหมือนกันอะไรได้นาอีอย่างก็เหมือนกันมันมารวมจุดเดียวกันตรงนั้นอย่างนั้นได้ประโยชน์หลาย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 ไอ้เรื่องจริงๆนั่นมันเรื่องจริงิ่งยิ่งตัวนี้มันมีอยู่อันนี้คือไปถอดออกมาจากเรื่องจริงอาการที่คนถอดออกมานั้นน่ะบางทีก็รุมๆโดนๆก็มีนานๆไปแต่มันรุมๆโดนๆตรนี้แต่เรื่องจริงๆของมันนั้นไม่มีใครควบคุมมันมันเกิเป็นเรื่องของเก่าคือธรรมชาติมันนไม่มีเสื่อมไอ้เรื่องคนที่ถอดออกมาเป็นขั้งที่สองที่สามเนี่ยถึงแม้มันดีมันเจริญมันก็มีการเสื่อม ก็เหมือนกันที่คนเราที่ว่ามันมากเข้ามากเข้าอย่างนี้มันก็ทำฟองยุ่งยากกันมาตามเรื่องของมันเพราะว่ามันมากจะมีคนสอนมาให้ดีดีเท่าไรเป็นตน้นมันก็สอนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนความจริงของมันสัจธรรมที่มันเป็นจริงของมันนั่นน่ะไม่มีเวลาจะเสื่อมซ ไม่มีอะไรจะเสื่อมซามเพราะอันนั้นมันคงที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนั้นมนเป็นต้นตอเป็นสัจธรรมที่ว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นสาวกองค์ใดผู้ประพฤติปฏิบัติคนไหนก็ตาม่ะจะต้องพยายามไปรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นเทียบเทียงออกมานานๆใปมันก็ช่วยระบายออกไปเสื่อมไปไอ้ต้นตอมันก็ยังอย่างเก่า อันนั้นมันยังอยู่อย่างเก่าตนเดิมของ ม, นมันนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ของดอนทันเจีนให้สอนว่าให้กำหนดแล้วก็ให้พิจารณาผู้ปฏิบัติหากวันจริงหนึง่งอย่าติดอย่าติดในความผิดของเราอย่าติดในความรู้ของเราอย่าติดในความรู้ของคนอื่นอย่าติดในความรู้ของใครรู้ให้รู้เป็นพิเศษนี้ คือปล่อยให้สัจธรรมความจริงๆระเบิดขึ้นเต็มที่มันอยู่เสมอไม่ได้ะปยัดแยกตรงไหนอันนี้ก็มันกันเราอบรมจิตของเรานี้คือเราพิจารณาตัวสัจธรรมจริงๆคือเรื่องจิตใจของเรานี้เราจะเห็นชัดถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรตรงไหน กีก็คือให้กำหนดรู้จิตของเราความรู้สึกของเรานี่เป็นที่พึงรู้จักอันอื่นก็เป็นเรื่องผิวเผินเช่นว่าพูดง่ายๆในวาระหนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติไอ้มันถูกอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีทางกลัวบ้างมีทางไร้หลายอย่างอันเนี้ย เราจะอาศัยอะไรไหมไม่มีเรื่องจะอาศัยอันนี้เรื่องเคยเป็นมาแล้วเรื่องตัวตัวก็เคยผ่านมาเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยไอ้ที่มันหลงที่มันกลัวลมันกลัวจนหาที่พึ่งไม่ได้กลัวจะพึ่งอะไรจะพึ่งอะไรตรงไหนไม่มีที่พึ่งอ่ะไม่มีที่พึ่งไม่มีไม่มีที่พึ่ง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 จิตใจของเรานี้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเรื่องเราภาวนามันจะเกิดมีนิดเกิดควารูปความเห็นสารพัดอย่างแต่อย่างใดก็ตามท่านจิตในเวลานี้ท่านใว้เพ่งรู้จิตที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายอย่าวิ่งออกไปตามอารมณ์ข้างนอกอย่างอื่น เรื่องราวที่เราปีนาอันใดสารพัดอย่างที่มันเป็นมานั้นมันก็มาจบอยู่ตรงที่มันเกิดข้อเหตุมันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญเมื่อหากว่าเรามีความกลัวพูดง่ายๆเราเห็นง่ายๆคือความกลัวของเรากลัวจนก่าทั้งมันหมดกลัวมันก็เลยไม่กลัวเพราะว่ามันหมดมันหมดฤทธิ์ของมันแค่มันก็ไม่กลัวไอ้ที่มันไม่กลัวคือมันวาง มันจะเป็นอะไรอะไรมันยอมรับทั้งนั้นแล้วมันก็เลยหายกลัวคือเรื่องมันยอมรับทุกอย่างก็เหมือนกันฉะนั้นที่เรื่องเราปฏิบัตินี้ไอ้ความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านให้เชื่ออย่างนี้ไม่ให้เชื่ออย่างนั้นเชื่อที่ว่าอย่าไปติดความเห็นของเราเองอย่าไปติดความเห็นของคนอื่นนี่ให้วางไปโดยเฉพาะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก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 เช่ว่าเราให้พิจ า, ารณากันห้าขยายกันห้าเป็นอาการสามทิศสองหลายอย่างสารพัดอย่างครูว า, าจารย์พิจารณาทั้งหมดแล้วก็มาคนคิดทั้งหมดนั่นนหะห้าแต่ก็ยังไม่จบอาการสามทิศสองสามทิศสามสารพัดอย่างค้นไปได้กว่าอย่างนั้นอันตามาจึงเห็นว่า ถ้าหาว่า ก, ก้อนก้อนนี้ขันห้าที่เรานั่งเห็นมันจะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดจะอะไรก็ช่างมันเถอะก้อนที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้น่ะเราเบื่อมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ตามปาร์นาของเราเตรานี้ก็เห็นจะพอนะมะถึงแม้วมันจะอยู่ไปก็ไม่ค่อยดีใจจนมันหลงถึงแม้ว่ามันจะทําลายไปก็ไม่จําเป็นจะจะต้องเสียใจในก้อนนี้ เราเห็นขนาดนี้ก็พอหลือมั้งไม่ต้องไปฉีกเอาเนื้อเอาหนังอะไรออกมาหมดอันแต่มาเคยเปรียบได้ดือยู่เสมอแหละว่าบางคนก็ต้องทําให้มันรู้อย่างนั้นเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นตลอดถึงยกต้นไม้ขึ้นมาให้ดูอืมโดยมากนักศึกษาอยากจะรู้บุญอย่างนี้เขาก็อยากจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงบาปอย่างนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไง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 รากน้อยรากคอยมันกี่รากรากใหญ่มันกี่รากใบมันกี่ใบอย่างเงี้ยเขาจึงจะรู้ว่าเขารู้ชัดดูแจ้งว่าในต้นไม้ต้นนั้นมันมีกี่รากดูเหมือนพพระเจ้าองค์ท่านเห็นว่าอยากอยากจะรู้อย่างนั้นรู้ว่าท่านจะว่าจะเป็นคนโง่ไปใช่ไหมเพื่อไม่ไม่สิ่งที่จําเป็นที่จะรู้อย่างนั้นรู้ว่ารากไม้ก็พอแล้วมันอยู่ในรากมันก็พอเดีวใบมันก็พอแล้วว่ารากอันเดียวมันก็ ประสบทุกรากใบอย่างนี้มันมากอยู่เตียมต้นมันจะไปนับมันได้ไหมแต่ก็เรียกว่าใบไะดูเอาใบใดใบหนึ่งเดียวก็แล้วกันก็เป็นใบแล้วก็พอแนี้วรู้แล้วว่าใบประรูตัวนี้มันมีใบเดียวอย่างนี้รากประรูตัวนี้มันก็มีรากเดียวเท่านี้เป็นรากของมันนี่รากอื่นนอกนี้ไปก็เหมือนนี้ใบประรูอื่นนอกนีไปก็เหมือนใบนี้ คนเ่านี้ยคือเหมือนกันเช่นนั้นรู้เราคนเดียวเท่านี้แหละมันก็รู้จากคนหมดทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นี้่ไม่ต้องไปตามดูใครนะพระพุทธเจ้าให้ดูตนเท่านี้ละมันก็เห็นตนนั้นเดียวเท่านี้แหละใครๆก็เป็นอย่างนี้ก้อนนี้ก็เป็นอย่างนี้สัมมัญญาลักษณะธรรมะทั้งกลุ่บ่าวะมันมีลักษณะเสมอกันอย่างนี้สังขานทั้งฟวงมันเป็นอย่างนี้ อันนี้วกมาพูดทีดีว่าเราทําสมาธิกันเพื่อเจรจาเจเดชเพื่อใจมันเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อเจรจาขันหานี้มีสองอย่างนี่บางทีก็าเรียกสมร tha แบ่งกันใช่สองกวีปัสนาก็เลยมาทํากันให้มันยุ่งมากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้อย่างผู้ที่นั่งสมาธิ ก็สันอาศัยในสมาธินั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบ ก, ก็เพื่อให้มันดูอันนั้นบางคนก็เห็นว่าฉันไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกฉันว่าภ า, าชนะใบนั้นมันต้องแตกเป็นเบื้องหน้าเท่านี้จะไม่ได้หรืเอเนี่ยไม่ต้องวานั่งดับตาว่าภาชนะอันนี้มันต้องแตกข้างหน้าไม่ต้องแตกข้างหน้ามันจะต้องแตกข้างหน้า ฉันไม่ต้องนั่งขนาดนั้นฉันรู้แล้วว่าภาชนะอันนี้ข้างหน้ามันต้องแตกไอ้ความแตกของภาชนะอันนี้เป็นเบื้องหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันจะไปไม่ได้ลสมาธิฉันไม่เป็ีนละเท่ากัฉันรู้ภาชนะไปนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็รักษามันไว้กลัวมันจะแตกไหมกลัวเหมือนกัน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 อันนี้ฉันก็ไปเห็นอันนั้นแล้วว่ะเมื่ออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกฉันก็ไปเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้คนนั่งสมาธิเห็นไอ้ภาชนะเช่นนี้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นในเบื้องหน้าในภาชนะอันนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้คุณก็ไม่มีทุกข์เพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตใจเห็นแล้วอย่างนั้นคุณก็ไม่มีทุกข์อืมเพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตให้เห็นอย่างนั้น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 ไอ้ความเป็นจริงก็เรื่องให้ไปเห็นอันนั้ น, น, นต่างความเป็นจริงเล่านั้นแหละเกิดไม่สงสัยอะไรเท่านั้นฉะนั้นอันตมาจึงเห็นว่าเมื่อหากว่าเรารู้จักอย่างนี้ทมจิตของเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างนี้บังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชาก็เปเรื่องเรื่องที่ว่อาอนิจจังเทเบามันในเที่ยง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 อย่างนั้นมันยึดไหมยึดมั่นถือมั่นไหมอะไรไหมไอ้เครื่องประคับประคองมันมีอยู่เดียวแะถ้าเราไปถึงจุดอันเดียวกันนั่นเห็นว่ามันจะมีความสงบเรียบร้อยทุกคนเมื่อหากว่าเรามาทำภาวนากันเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาธุระสมถธุระมันก็มีเรื่องเท่านี้เอง สองอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแนเรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกวันนี้ถ้าว่าพูดตามลักษณะมันฟั่นเผือกันเกินไปแต่ว่าสัาจะทำไม่ไม่ฟันเฟืออะไรกันมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นอัตมาจึงเห็นว่ามาค้นคว้าเบื้องต้นมันดีกว่าออกจากกําเนิดจิตของเรานี่ดี ไม่มากไม่มากเกิดแก่เจ็บตายเ mm hmm. ยอ่ยอหย่อซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่าง mm hmm. ให้มันเห็นชัดเขก็ไปให้มันยอมรับนะถ้ามันยอมรับแล้วมันก็จะวางของมันนะราบยศเสนอเสริญสุขมินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางเพรามันยอมรับอยู่แล้ว ถ้ากว่าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะ่ะนั่นจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายพูดง่ายทําง่ายอะไรง่ายๆไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลําบากวัตถุเบาดีสบายนี่คือที่คนภาวนาที่มีความสงบมแล้วมันจะต้องไปในทํานองอันนี้น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 แต่ท่านก็ต้องทําประโยชน์ตนโดยปฎิยายได้ก็สร้างประโยชน์คนอื่นโดยปฎิยายไม่ได้ขาดเลยอืมถึงท่านเสร็จแล้วท่านก็ยังทําอยู่ยังเป็นอยู่อัตามาว่าคงให้ถือเอาอย่างนั้นที่เราทําปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าเรียกว่ามันไม่พอัะพูดเรียกว่ามันไม่พออืมมันเป็นสันดานอย่างนั้นใชยอืม ท่านไม่เคยทอดทิ้งความเพียรของท่านจะเพียรแปอะไรเพียนเพราะเพียรนั่นเนองเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเพียรเป็นลักษณะอันนั้นคือนิสัยของป่านิสัยของผู้ประพฤตินิสัยของผู้ปฏิบัติจะเปรียบประหนึ่งว่าคนเศรษฐีกับคนจนเศรษฐีเขายิ่งขยนันยิ่งขยันกว่าคนจนไอ้คนจนมันยิ่งไม่ขยนันมันไม่เคยเป็นเศรษฐี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 เราจะเดินไปมันก็มีทางเลยจะเสียหายเราจะนั่งอยู่ไม่มีทา ง, ะะาะะะงะนอะ ไ, ไรจะเสียหายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีอะไรจะเสียหายสิ่งทั้งหลายเรานี้มันเกิดขึ้นเต็มอยู่มันถึงจุดมันแล้วที่เราวันนี้มาได้นั่งสมาธิใจเขาก็สบายอยู่แต่สมาธินั่นคือว่าไม่ใช่ว่ามันมันนั่งมันเป็นสมาธิ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 ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้ะนี่ควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้นนี่จะตรวจดูกระไรสักกายาทิฏฐิอย่างนี้วิจิกิชฌ า, า, าศีรพตปรมาตเบื้องต้นอย่างนี้ออกจากนี้ทั้งนั้นเลยมันจะรู้ไปตรงไหนกว่าให้มารู้ไปเถอะจิตใจต้องออกจากอันนี้สักกายาทิฏฐิ วิกิจิตราปตาปรามาสมีเป็นเบื้องแรกจะต้องออกช่องนี้เลยสิ่งสามอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่นี่เรารู้ในตัวเราไ้ยเราเห็นไหมว่าเป็นไะไไหมอันนี้ใครจะไปรู้เรายิ่งกว่าเรารู้เราแล้วนี้สักกายทิฏฐิวิกิจิตราปตาปรามาสถ้าใครมาถืออยู่นี่มาสงสัยอยู่นี่ มารูปคาอยู่นี้มันก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นี้เองนะใครจะมารูปมาคามันอย่านี้ใครจะมาสนใจในที่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะมีใครมาคาอยู่ตรงนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยแตมาเห็นว่ามันจะพร้อมกันละแต่เพรารู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะจบในการประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็เป็นธรรมดา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 แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ว่าท่านไม่กี่เราทุกข์มาใส่ใจของท่านคือท่านยังมีทุกข์ง่ยอันนี้เป็นสิ่ง ส, สำคัญมากเพื่อพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์มันดับนิปพานะก็แปลว่าดับมันดับทุกข์ดับร้อนดับสงสัยดับกังวลมันดับนะไม่ควรที่จะไปสงสัยมัน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 และการฝึกครั้งแรกฝึกให้จิตสงบอันนี้ลาบากหน่อยฝึกอยให้จิตสงบให้จิตสงบนี่หากรรมฐานในมัตุจริตของเราเองมันถึงความสงบง่ายอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นทา่านก็โยนให้เจ้าของนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราให้ดูเจ้าของโยนให้เจ้าของ ถ้ามันร้อนมันก็เป็นโทสะมันตึงไปซะถ้ามันเย็นเกินไปก็เป็นฉุกซะเป็นกรามมาสุกันนการิโยโคไปซะถ้ามันร้อนก็เป็นอจจะจิรามันถานิโยโคไปซะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้รู้จากการร้อนให้รู้จักการเย็นให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดที่มันเกิดขึ้นมานั้น มันจะรวมเอาทุกว่าใส่ตัวมันไหมมันยึดไหมอย่างที่ท่านว่าชาติทุกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดชาตินี้แล้วตายไปเกิดชาติหน้าเกิดมันเป็นทุกข์เปนมาอย่างนั้นอันนั้นมันไกลมากที่สูจน์ได้ไอชาติทุกที่มันเกิดขึ้นเดียวนี้น่ะมันเกิดขึ้นเดียวนี้ที่ว่ามันมีภพอยู่ไอภพนั่นมันเป็นเหตุให้ชาติมันเกิดนี่ พน่นคืออะไรทุกอย่างอะไรที่ไปหมายมัน่นมันจัดเป็นพบทั้งนั้นะอไอ้ของที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นข อ, ของของเราเนี่ยโดยที่ไม่แยบกายมันเป็นพบทั้งนั้นไอ้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นของของเรานั้นตลอดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่ามันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันเราสะดุ้งสะดุ้งคือ เกิดดีหรือเกิดเสียเกินมาอย่างนี้ไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมาเกิดดีใจหรือเกิดเสียใจนั่นแหะคือชาติคือชา ต, ชาติเมื่อชาติเกิดขึ้นมานก็จะนำทุกข์เมื่อชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์วรณะทุกข์อะไรเราอยู่ในภพไหมเรามีภพไหมเห็นเรามีภพไหมนี่ดูมี่กันได้เรามีภพไหม แล้วรู้จกพบไหมรู้เท่าทันพบไหมอย่างต้นไม้ในวัดเหล่านี้แหละอย่างเราเป็นสมมุติว่าวัดเราอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าวัดเราจริงๆนั่นน่ะคนในวัดหรือสมงานวัดเนี่ยจะไปเป็นตัวหนอนอยู่ทุกต้นไม้ในวัดนี่ไม่รู้ตัวต้นไม้เพราะอะไรเพราะตัวหนอนเขาไปยึด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 ถ้าเห็นสมุดไม่จริงเห็นธนาคารไม่จริงตัวนี้จะเป็นตัวพวกอืมมันจะดีใจในกันห้านี่เหละมันจะเสียใจในกันห้านี่เนี่มันจะเกิดอยู่ตรงนี้เนะอืมมันจะชาติทุกอยู่ตรงนี้ชาติทุกพยาธิทุกอยเดียวนี้มันจะเกิดชาติเดี๋ยวนี้เกิดชาติเดียวนี้วิรานีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมา ก, ก่อนแก้วได้แตกไว้ น, นี้เสียดายเดียวนี้ แก้ระเรื่อยยังดีใจเดี๋ยวนี้อย่างนี้ดีใจโดยทางที่ว่ะไม่มีปัญญาควบคุมเสียใจโดยที่ว่าไม่มีปัญญาควบคุมมันเนี่ยอืมมันเสียหายทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องดูอื่นไรเมื่อเรารวมรวมเขามาในทั้งหลายเหล่านี้เราจะเห็นว่าพบเรามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เรารู้จักพบไหมรู้จักสมมติไหม นึกจากบรรยัญญติไหมนี่นคือตัวอุปทานที่เราเรียกว่าอันนี้เราหรืออันนี้ของเรานั่นนี่ยอุปทานมันไม้มีอยู่ตัวอุปทานนั่นเนีเป็นตัวนอนเนี่ยเป็นตัวหนอนแท้แท้ทำชาติให้เกิดขึ้นมาตรงนั้ น, นตรงที่เราไปยึดอะไรเน่ยยึดอะไรไหมยึดรูปรเบธนา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 ในอายตนะที่เราอาศัยอยู่นี้ในใกล้ขามาเดี๋ยวนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ปล่อยได้ภายนอกภายในอยนายตนะตาหูจะวกรืน่นกายใจภายในภายนอกเราจะเห็นอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ตายจากนี้ไปแล้วไม่ใช่ลุกจากที่นี่ไปแล้วเดียวนี้ถ้าเห็นลูกเดี๋ยวนี้หูฟังเสียงเดียวนี้จะวกรู้กินเดียวนี้รืน่นดิ่มรถเดียวนี้ เกิดหรือเปล่ารู้ทันมั น, นีนความเกิดอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้จะต้องมีนิสัยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาผู้เห็นภพชาติของเราอย่างนี้จะเห็นว่าเราเกิดอะไรบ้างเรามีภพอยู่ไหมเรามีชาติเกิดไหมไม่ต้องไปดูหมอหรอก ทำไมมีเพื่อนพวกนีงอยู่ผักกางสมัยก่อนเคยปฏิบัติเดียกันมาหนีจากกันไปได้ปีเนี่ก็เลยไปพบเมื่อสองสามปีมานี้หลวงตาเนี่ยท่านปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยท่นมาท่องท่านเทศด้วยนะเครือสติปัฏฐานท่องเอาเทศเอล้ก็ยังไม่หายสงสัยพอปีนั้นลงไปเรืมากราบเลยโอ้ยท่านอาจารย์แม่ผมมีใจด้วยเกินเนี่ยนี่น เขาไปผวาดหรืเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้เขาไปทายพระไปเสียงทายพระพระเสียงทายเขาเน่ยยกขึ้นว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วขอยกพระนี่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วยกพระนี่ให้มันขึ้นน้อยพอดีแต่ไปยกพระน่งขึ้นดยดีใจเลยนะนนนเนี่ยไม่มีรากฐานอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นเอง เห็นมาเราเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปฝากแก่ก้อนหินนั่นมาเรายกปลาขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผู้ปฏิบัติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นตัวมันเห็นทางนอกเห็นก้อนหินก้อนปูนไม่แต่เห็นเจตนาในจิตของเจ้าของในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องภาวนาของเรามันเป็นกันเงินจะไม่สงสัยอะไรเลยฉะนั้นอาจามาจะเห็นว่าการภาวนานี่น่ะแต่ว่ามันไม่มีใครรับรอง เช่นโบูดังเนี้บูดังนี้เขาทําเขาคนทําเนี่ยนักเรียนป .4 เขาทําโบูดังนี้ไม่ใจะเขาออกแฟนเขาทําแต่เขาทําได้ดีที่สุดใจว่าเขาไม่มียี่ห้อเคขาไม่รับรองวัฒน ธ, ธรรมปณิชที่มีหลักการวิชาการแต่เขาทําได้ดีอันนี้มันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมก็เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มากมาย นอกแต่เรารู้ว่เห็นว่าอันนี้มันประกอบด้วยทุกข์มันพาเราเป็นทุกข์มันวางสิทข้างในลรานั้นได้อืไม่ต้องไปสืบสวนตรงไหนเราให้ดูจิตของเจ้าของเท่านั้นดูเรื่องอันนี้พอๆอย่าไปวุ่นวายเลยมากปฏิบัติกานอย่าไปสงสัยมากเลยอืที่มันสงสัยนั่นก็คุมมันมาซะมันเป็นอย่างนั้นเองจิตเยามเป็นยงนั้นเองมันวางมันวางนะโดยมากมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไร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 จะไปทำให้มันมีขึ้นมันเป็นขึ้นมันก็เป็นตถาคตขึ้นมันก็เรื่องมันไม่จบอย่างนั้นไอ้ความจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันดับทั้งหมดน่ะดับด้วยความรู้ไม่ใช่ดับด้วยความไม่รู้จักอันนี้ถ้าหากว่าเรารับรองของเราในตัวของเราอย่างเนี้ยให้คนอื่นก็เช่นอย่าไปสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ อย่าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นของเขาในช่องกลางนี่จะให้ปัญญาเกิดที่ถูกต้องที่สุดแล้วอาจารยมาเคยเปรียบให้ฟังให้ง่ายคนเราถ้ามันมีความยึดอยู่มันก็ไปรู้จักที่ยึด เ, เป็นที่อยู่ของมันคิดมาบนหลังคาเนี่ยกับพื้นนี้ คนขึ้นไปตรงนู้นก็ไปจุดบนหลังคาแล้วมันก็ถึงหลังคาแล้วเท่านั้นรู้ถึงแค่นั้นโดนลงมาก็ถึงพื้นเท่านั้นเนี่ยนี่มันรู้จักแล้วอ่ะเพราะข้างบนนั่นมันก็จดุดหลังคาข้างล่างมันก็จดพื้นคนเรามันจะรู้สึกเท่านี้หากขึ้นไปบนหลังคามันจะโดดลงมาเพิ่เอย่างนี้มันก็รู้สึกได้บ่ยู่อยู่หลังคาแล้วก็อยู่กับพื้นระยะกลางเนี่ยไม่ใครรู้จะมีใครรู้จักเพราะอันนี้ไม่มีเครื่องวัด เป็นอากาศยังไม่มีเครื่องวัดแต่ว่าจากร่างามหาเพื่อนเนี่ยมันจะกี่เม็ดกี่เซนมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่โอนลงมานั้นไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่ในวัดไม่ในวัดมันก็ยังเหลือเม็ดเหลือเซนของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เสียหายไปตรงไหนหรอกมันเป็นทัศธรรมอย่างนั้นตกลงมาแล้ววัดใหม่ก็ได้มันจะมีกี่เม็ดมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเก่าเหมือนกัน คนนั้นจะโดดลงมาหรือไม่โดดลงมามันก็เหลือดยุทธเฒ่าเก่ามันสัจธรรมอันนี้ไม่มีอะไรไปตรงไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนี้ที่เดียววะที่ไม่มีพบอยู่ญาตกลางเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยต่อไม่ได้คนเราตอบไม่ได้เช่นว่ายก ง, ง่ายในปัจจุบันนี้ไอเ้เด็กๆที่มันประพฤติธรรมะกันอยู่เนี่ย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 เป็นไอจีบุ๊กคือพระมงคลจักองเลยถามมาท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านฉันก็จะรู้โดยตนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของฉันสบายท่านนี้เลยคือบอกตรงเกินไปมันไม่ดูเรื่องจะบอกอีกแค่ทั้งวันเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นก็จิตของมันไม่เคลื่อนจากที่ของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไอคนเรามจะมีปัญญากับเพราะการปฏิบัตินี่ขึ้นมา จะหายความสงสัยแท้จริงกัเรื่องการปฏิบัตินี้เองจะไม่ได้ฟังจากฟังที่ทำฟังธรรมรับรู้เอาไปปฏิบัติแต่ความจริงเนี่ยมันจะเอาตามคนเอาตามความรู้สึกตามเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาอย่างจิตใจของเราเนี่ยฉันชอบอย่างนี้แต่ธรรมะไม่ให้อภัยอย่างนั้นที่เราชอบนั่นเนี่ย ถ้าเราหักในธรรมะเราก็ไม่เอาสิ่งที่ราอบอย่างนั้นถ้ามันเราชอบอย่างนั้นมันไม่ถูกธรรมะเราก็ไม่เอาถ้าเราเชื่อธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ก็อไอ้ความรู้ไอ้ความรู้ทั้งหลายมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้เอาสิพูดหลายไม่ได้เลยเหนือยแล้วนะสงสัยอะไรใยการปฏิบัติหนึ่งมีรู้จักในการปล่อย ที่มันไหลอยู่นั่นน่ะดูมันเถะตัวนั้นไม่ใช่บาปล่อยไม่ดูมันนะต้องมีสตินะที่พูดไปทุกระยะนี่เป็นผู้มีสติควอบคุมอยู่เสมอจริงก็เรียกว่าเราปฏิบัติด้วยปัญญาของเราไม่ปฏิบัติดงง้วยความโง่มันถึงจะรู้จักมันให้มันผ่านปัญญาเราถึงนั้นอันนี้ต่อความจริงอ่ะ ไอ้ที่ความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็นไปตามความจริงของมันอยู่แล้วละ่ะแต่เราไม่ใความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจะมาพูดคําศัพท์ที่ทันว่าโรคกบิทูรู้แจ้งโรคคือโรคอันนี้มันเป็นสภาวพของมันอยู่อย่างนั้น่ะหรือจะรวมง่ายกับโรคเกอดหรือคืออารมณ์พูดกัน ง, ง่ายกับมรดิสูดจ้ะ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 อย่างที่ท่านสอนมาให้รู้เท่าสังขารปัญญารู้เท่าสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรฝ่รู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัญญารู้ไม่ได้ขัดข้องมั น, มนเมย่อปัญญาทำทั้งที่ให้มันมีความสงบทั้งที่มีปัญญาควบคุมกันถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้ว เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเนี่ยเรื่องสมถะกรรมฐานก็ดีเรื่องดิพัชนากรรมฐานก็ดีมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เรามาแยกกันออกไปซะได้หลงกันมันเป็นเรื่องเดียวกันอาจารย์มาเคยเปรียบไปฟังอยู่ง่ายๆมันมีที่เปรียบเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องดิพัชนากกรรมฐานนั่นน่ะ เราต้องพิจารณาเปรียบสิ่งง่ายดีอย่างมะม่วงใบนี้มันเป็นดูกเล็กต่อไปจนถึงมันสุกมันหามมันสุกกะมะม่วงใบเด็กๆนี่มันเป็นใบเดียวกันหรือเปล่าตั้งแต่มันเป็นช่อดอกออกมานั้นยังไม่เป็นดูกเลยมันก็เป็นมะม่วงใบนี้มันเป็นดูกเล็กๆขึ้นมาก็เป็นมะม่วงมันโตขึ้นมาก็ใบเก่า โตขึ้ไปอีกกระใบเก่ามันหามมากกวใบเก่ามันสุกกว่บใบเก่าสักแต่ ว, ว่ามันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างศีลหรือสมาธิปัญญาก็ดีศีลอย่างนี้จะพูดง่า ย, ายๆแล้วศีลนี่ก็คือการที่ว่าละบาบนี่ถ้าคนไม่มีศีลนี่มันร้อนมันร้อนคือทําให้มันเย็นนะถ้าคนละความชั่วละบาปล้วมันก็เย็น เย็นไม่มีโทษอาการที่ไม่มีโทษนี่แหละอันนี้สงสัยมันเกิดขึ้นมานี่เนี่ยมันจิตสงบมันจะเป็นสมาธิเมื่อสมาธินั้นน่ะมันใสสะอาดมันจะมองเห็นอะไรหายอย่างอย่างน้ำที่มันไม่กระเพื่อมไปมองดูไม่จะเห็นแต่หน้าเราไม่เห็นถึงรลังขานู่นอะไรนกมันบินผ่านมามันก็เห็น มันเรื่องอันเดียวกันทั้งนั้นเด็กเหมือนกันกับมะม่วงใบเดียวนะลูกเล็กๆมันก็ใบนั้นมันโตขึ้นมาก็ใบนั้นเนี่ยหามก็ใบนั้นสุกก็ใบนั้นอันเดียวกันสีมันจะเขียวได้เหลืองก็อันเดียวกันทั้งนั้นซักแต่ว่ามันเปลี่ยนเท่านั้นเมันก็จากทีนั้นถ้าเราเข้าใจง่ายๆอย่างนี้มันก็มันก็สบายขึ้นความสงสัยมันก็น้อยเข้า ถ้าเราไปขยายมันออกไปเส้นกว้างโอ้ยไม่ทนค้นํำลาเลยไม่ทนคปค้นํำลาไม่รู้ว่าไงต่ออะไรเลยวุ่นไปหมดทั้งนั้นทะนั้นต้องตามดูจิตของเรานั่นดูก่อนเพิ้ยสูตรทั้งหลายท่านทั้งหลายจนตามรักษากจิตของตน คนในตามรักษาจิตของตนคนนั้นจะข้นจัหว่งของมารทั้งมารทั้งดวงดูจะก็นั่งพิจารณาให้มากดูไปมามันจะเป็นแปลใดน่ท่านพูดจะย่อขนาดนี้วิธีอัตมานี่มันก็แปลกนะบวชมาปฏิบัติมาเนี่ยสงสัยมากแกไม่เคยไปถามใครให้มาก เตลอดทนอาจารย์มั่นอัตมาก็ไม่เขาไปถามท่านอยากถามอยู่แต่ไม่ถามให้ใครก็มานั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังท่านเฉยไปฟังสงสัยอยู่ก็ไม่ถามจะไปถามคนอื่นคล้ายๆกับไปยืมมีดคนอื่นมาปาดซะเราไม่เคยมีมีดอเออไอ้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่เคยถามใคร โดยมากก็ถามใครไปอยู่กับครูบาอาจารย์ปีสองปีก็นั่งฟังธรรมท่านอยู่แก่เองหาเองแก่เองหาเองแก่เองไปในํานองนี้แตกจากสาวกอง์อื่นแต่มันแยบคายดีนะสบายแล้วพิจารณามันเห็นขึ้นเองมันเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้ น, น, นตามสัจธรรมเนะี่ยมันดีมันไม่ลืมไม่สงสัยมันไม่ลืม เอาสมใจอดีต ว, ว่ากันดิโยมเอีอ่ยมพรนั่นน่ะไปไหนเรามีมาด้วยนั่นน่ะือมีอะไรไหมนะ่ะอยากฟังเตะซ้ำด้วนั่นน่ะอัตมาว่าอย่าไปสมใจได้มันมากแล้วปาัานนี้ปล่อยมันไว้ซะถ้าไม่จะไดก็พิจนารณา น, นั้นเรื่องที่มันสุขมันทุกข์มันเป็นเรื่องของสังขารดังกายของเราอย่าเลยไปติดมันเท่านั้นแหละนั่งสมาธิมันเหนื่อยเหนื่อยก็พลิกมันดิ อดมันเตียมทนแล้วยกับพิกมันทีให้มันมากเรียบานนี้แล้วทำสตินั่นให้มากพอเดินไม่มากนั่งไม่มากอะไรไม่มากทำสติให้มากที่สุดให้มันรู้ทัว่วถึงซะพอสำหรับคนแก่ปานนี้ให้เอาคำที่อาตมาเนี่ไปพิจณาดูเถอง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 เกิดความพอใจขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นสารพัดอย่างมันจะเกิดขึ้นต้องเรียกว่าอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นให้เรากระชิบในใจของเราเสมอว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้คนไม่ค่อยจะเอาไปพิจารณานนะอันนี้มันไม่แน่ตัวนี้เนี่ยตัวสำคัญที่จะให้เราเกิดปัญญาตัวนี้แต่ตัวสาคัญ ที่เราไม่ก้าวไปก้าวมาเราอยู่นิ่งอยู่กับที่มันนี่ยบอกแค่ว่าอันนี้มันไม่แน่บางทีมันมันเสียดายจนน้ำตามันจะไหลออกก็เดีอันนี้ไม่แน่ไอความโรคตรองโกรธทุกอย่างมันกระทบกระห่นบอกคำเดียวเท่านั้นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะ น, นอนตรนั้นอันนี้มันไม่แน่กระซิบมันก็ได้เลยเอาทุกทีทุกทีลองรอ ง, อ ง, องดูก็ได้ไม่ไม่เอามากาเอาเท่านี้ อันนี้เป็นเรื่องให้เกิดปัญญามีเรื่องเรื่องอัตมาไอัยภาวนานี่ไม่มากกับเพื่อนเขาหรอกแถว น, นี้เรื่องที่สุดมันจนมุมมันเอาเแถวนี้นี่ไม่แ น, น่ไหนทุกอย่างน่ะมันจะรวมอยู่จุดนี้หมดถ้าหน้าจิตที่มันเกิดขึ้นอย่าไปนับมันเลยอาการของจิตเมื่อนั่งสมาธิมันจะรู้อันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นอย่างนั้นอะไรท่างนี้ ทั้งหลายแล้วเนีนะ่ไม่คานนาทีเดียวแต่ตรงนี้อือย่าไปตามมันมากเลยบอกเจ่าบาลมันไม่แน่เท่านั้นก็พอแล้วง่ายๆแค่ก็ห ย, ยุดอยู่แล้วมันจะเกิดของรูกขึ้นมาอย่าไปยิ่งตามไปมันมากเรื่องพูดจะพิจารณาจริงๆนั่นน่ะมันไม่ได้คิดอะ่ะพอแต่หูตาหู จ, หจหมูกยื่นกายพอกระทบปุ๊บมันออกไปเองพิจารณาอยู่นะ ไม่ต้องเอาอะไรมายกขึ้นให้มันมากมันยกเองของมันน่ะบตกน่ะคืออะไรมันเรื่องยกขึ้นมาแล้ววิจารคืออะไรเรื่องพิจารณาแล้ว